ยิ้มรับเสร็จก็ปรับตัวด้วยปรับตัวหรือปรับใจเช่นถ้าเราเจ็บเราป่วยมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะบ่นหรือจ ะ, จะทำหน้าดำข่้นเครียดเราก็ยิ้มรับมาแล้วก็เราก็ปรับพฤติกรรมของเรา <นะ S 2> เวลาทำธุรกิจมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากแต่ส่วนใหญ่เราเอาแต่ทุก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 สิงนำมัอยู่ทั่วแล้วตอนนี้คุณจะทําอย่างไรนะมันเหมือนกับเวลาเราจะเวลาเราจะทําครัวเนี่ยนะคนที่ทำครัวมันมีคนสองคนนะคนนึงเนี่ยเครื่องคราวนี่ครบเลยแต่คนห น, นึ่งเนี่ยเครื่องครัวนี่น้อยมากมันเสียสิ่งที่เราสิ่งที่แม่ครัวควรจะทําคือว่าคุณจะเอาเครื่องครัวที่มีที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเอามา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 ถ้าสามารถจะมีความสุขแบบอาจารย์กำพลได้คนที่พูดนี้เขมีทุกอย่างในชีวิตเขามีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนได้เขามออีอาการควบสารสแต่ว่าทําไมเขาถึงกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกอยากจะพร้อมจะไปเป็นคนพิการอย่างอาจารย์กำพลพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขได้น้อยกว่าอาจารย์กำพล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 นะข้ามชอ็อตนะก็เลยทุกเนี้ยและความเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวตรงนี้เพราะว่าเราเนี้ยไปมองข้ามชอ็อตนะแต่ถ้าพอมันมาถึงจริงๆมันน่ากลัวน้อยลงเหมือนกับนักปีงเขาคนที่ว่าเนี้ยนะปีงเขาเขาเป็นน่ากลัวเวลามาไกลๆแต่พออยู่พอสนใจแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วเนี้ยมันมันไม่น่ากลัว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 หลังจากถูกรางวัลที่หนึ่งล้านบาทมาได้ไม่ถึง1ึงงเดือ น, นเมื่อสักปี2 0 0พันไม่ใช่ปีอพันเมือ 2000, ม่อก่อน น, นั้นนะ่ะประมาณสักสปีที่แล้วเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งแกถูกหวยนะไม่ถูกถูรัตตอรี่สลากกินสลากกินลั่วแกได้มาถึงหนึ่พันดอลหนึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับไม่ใชหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ที่ประเทศอเมริกาแกได้เงินถึงหนึ่งร้ล้านดอลลาร์นะครเป็นข่าวใหญ่ในเทศอเมริกา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 พร้อมได้เงินเลยเนี่ยสภรรยา ส, สามีต่อมาตายเพราะโรคสุราหรือลำนะมีเงินเยอะก็เอาแต่เที่ยวเอาแตเซดนะฮะเป็นโรคสุราเรื่องตายส่วนภรรยา ก, ก็ไปตายในคืบเลือหาที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าตายอย่างโดดเดียวชีวิตแกจะมีความสุขมากกว่า น, นี้ถ้าแกไม่ถูกไม่ได้สลากไม่ถูกสลากกินรวบลอยล้านดอดลลาร์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 นะะคนที่วัดคนที่พระบาทวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะฮะเขามีอารมณ์ขันมากนะฮะวัดพระบาทน้พุที่ทราบใช่ฮะเป็นพวกที่คนที่เป็นเอเซเนี่ยก็ต้องไปตายกันที่นั่นเป็นฮอสพิตที่ที่ที่ใหญ่นะแต่คนที่นั่นนี่เขาเขาเาสามารถที่จะหัวเลาะย่อความตายได้เสมอ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 ต้องสามารถเทียมมองให้เห็นมันเป็นเรื่องขำขันขึ้นมาให้ได้นะฮะแต่ว่าถ้ายังเห็นไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยใน3ามข้อแรกเนี่ยก็ทำให้ได้นะต่มาเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ว่าเราจะเจอความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะดยดือเพราะความเปลี่ยนแปลงที่คนกลัวมากที่สุดเนี่ยคื อ, ค, อ, ค, อความเจ็บความตายเนี่ยมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะฮะ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 ลูกเนี่ยอายุแค่สามขวบนะวันหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยโปรดป้ามากเลยโรดป้ามาก แ, แม่เห็นก็เลยเข้าไปคุยกับลูกปกติเวลาแม่เห็นลูกแม่ถ้ารู้ว่าลูกโกรธป้าโกรธได้พูดใหญ่เนี่ยแม่ก็จะไปห้ามแต่แม่คนนี้นี่แกฉลาดแกก็ถามลูก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 อัตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านีนะ้ถ้ามีเวลาก็อาจจะซักถามกันได้บ้างาเงได้ครับี่กรทยเขียโนโนก็ได้ครับ เ, เป็นโอกาสครบะนะครับที่เราจะได้มีโอกาสไ ม, ไม่ใช่ประตูรายการประดูดว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 วันนี้นะคะสังคมไทยเนี่ยบแบ่งแยกกันอย่างนี้เป็นไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะในฐานะเป็นผระสง์ซึ่งท่านมีความสามารถในการเล่าสอแล้วก็ลอกเราจิตใจควนี้ท่านคิดว่าท่านจะช่วยเยียวยาสังคมไทยตอนี้ไดคะคือซึ่งที่อาจารย์แนะนำแลก็พยายามชวในให้เขามองนะก็คือว่ามองคนที่เขาคิดไม่เหมือนเรา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 แล้วเด็มก็จะค่อยๆแผ่วหายไปนะอ่ะทีนี้นะสันส้นๆมีคำถามเพิ่มเติมไหครับขออนุญาตขอยาบอีกครั้งหนึ่ะเมื่อพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนึ่งทำให้ผมเองนะครันึกถึงครั้งหนึ่งนะทด้มีโอกาสที่ได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงเอซิมกับเกียร์จ้า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 ก็ให้ท่านจําวัดในห้องห้องที่จัดไม่ให้ท่านก็ไปจําวัดแล้วก็มีลูกศิษย์สามสี่คนไปนั่งเป็นเพื่อนก็เพื่นไอ้ห้องข้างๆเนี่ยมันเป็นร้านค้าเจ้าของร้านค้าเขาเป็นเป็นคนจีนเป็นซิมนะฮะแล้วก็คนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะสวมเกีย้ยใช่ไหมฮะเกีย้ยนี่เรารู้จักใช่ไหมเกีย้ยไม้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 เพรเสียงอาตมาดังกว่าเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็จะฟังได้ต yeah. mm ่อเนื hmm. right. mm ่องคือ hmm. คือ oh, ถ <Yeah. S 1> ้าเรามีสติเนี่ยนะไอเสียงรบกวนเนี่ยมันจะไม่ทําอะไรเรามันก็เป็นทักแต่ว่าเสียงมันจะไม่รบกวนเราแต่เมื่อเก็ตามที่เราไม่มีสติเนี่ยนะใจเราก็จะไปปรับตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เรือกว่าเป็นหูหาเรื่องไปเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราเขาเขาไม่ทักเราเราก็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 ก็ต้องฝึกที่จะมีความสุขกับการทำงานคือทำงานอย่งมีความสุขนะความสุขกับการความสุขจากการทำงานนี้เป็นไปได้นะฮะถ้าเรามีฉันทะมีความชอบและความชอบมันจะทำให้เราเกิดความเพียนแล้วเกิดใจที่จดจอ่อนะและยิ่งถ้าเรารู้จักพิจารณาไต่ตรอง ก็จะทให้งานมีโอกาสสาเร็จและแน่นอนถ้าเราสําเร็จเราก็มีความสุขแต่ที่จริงแล้วทา ง, งานเนี่ยแม้ไม่สําเร็จก็มีความสุขได้ถ้าเราสามารถจะทำงานให้มีสติอย่างที่ธรรมาบอกว่าทํางานไม่ว่า ง, งานจะเยอะแค่ไหนเนี่ยนะคุณต้องทํางานทีไรคุณต้องทํางานเรื่องมาทีละอย่างทีละอย่าง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 สิ่งสำคัญอย่านึ่คือเรื่องของความสำเร็จความลุ่มเหลวอาตมาคิดว่าความสำเร็จก็ตามความถ้าเราถ้าเราทำงานเนี่ยถ้าเราอย่าไปยึดติดถึงมา ก, กับความสำเร็จมากเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกถ้าเรารู้จักมองว่าความลุ่มเหลวก็มีประโยชน์ ความล้มเหลวก็สอนเราได้คนเราสามารถจะเรียนรู้จากความล้มเหลวได้เราจะทํางานได้มีความสุขมากเมื่อกี้ธรรมะก็จะพูดไว้ห น, หน่อยว่าคนเราถ้าเรารู้จักความล้มเหลวแล้วเนี่ยแล้วเรารู้จักเอาความล้มเหลวเป็นครูเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วก็และเมื่อเราพบ ว, ว่าถึงแม้จะล้มเหลวโลกก็ไม่ถลม่มแผ่นดินก็ไม่ถลายเราก็จะไม่กลัวความล้มเหลว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 แต่ถ้าเราเห็นความรุนเรวเป็นคลัวเราเห็นความสาเร็จความสาเร็จเป็นความไม่เที่ยงนะเราก็จะจะจะไม่กลัวอาตมาชอบนะตองสิทธิชอยเนี่ยจะให้สำคัญเมืม่อสองสาเดือนก่อนพวกเรารู้จักนะฮะตองสิทธิชอยแกเป็นคนที่สำเร็จเร็วมากเลยแกเป็นติดอันดับอยู่ในสามของโลกก่อนาอายุยี 25. แกเป็นหนึ่งใน8ของโลกที่ได้ที่ได้ที่ได้รงางวจากการิติสมุกเกิเนี่ยเป็นล้านเมื่อ20ปีที่แล้วนะ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 ก็จะทำงานได้อาารบอกอย่างที่บอกตอนตอนแรกนะครว่าต้องมองหาความสุขในปัจจุบันขณะความสุขหรือสิ่งดีๆมันมีให้เราเห็นตลอดเวลาไม่ว่าในที่ทำงานไม่ว่าบนท้องถนนถ้าเรามองไปก็เห็นสุขนะครับ นะก็ในวันนี้ท่านอาจารย์ก็มีโอกาสมาแ บ, บ่งาันแยกคิดมิตรใจกับพวกเราในที่นี้แล้วก็รวมทั้งบุคคลภายรอกที่นะครับข้มจากสื่อก็ขออยากจะมีนิด น, นะครับว่าข้านท่าที่เราสามารถอุ้มลูกจู ง, งเข้ามาฝังธรรมกันได้นะครับคนภายนอกก็ยินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากการทำยานธรรมแล้วเน่ยขั้นด้านประตูทางเข้าทั้งหมด